อาจารย์ครับการนรมสัส ก, การครับผมเจริญพรคุณหอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสามสิบสี่ครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการขอโอกาสครับอาจารย์ว่าเช้าอาจารย์บิทบาทมีคนไปเยอะไหมครับผมวันนี้ได้ถึงห้าร้อยห้ารอยสามคนอ๋อเพราะเพราะเป็นวันพระด้วยหรอครับอาจารย์ ไม่ก็นนธรรมดาโอโ้วันนี้นคนไปเยอะจังก็ไม่สาสตร์มันก็ขึ้นขึ้นลงไม่เป็นจริงขึ้ขทีคนอยากจะทำเงินเข้ามากันครับแล้วเมื่อตอนบ่ายคนไปฟังธรรมเยอะไหมครับอาจารย์ครับก็1้อยแปดสิบกว่าร้อยแปดสิบกว่ารทําบ้านก็แปดร้อยร้อยสิบกว่าครับผมตอนนี้ พอสมควรตอนนี้ทางนี้ก็ประมาณประมาณแปดร้อยกว่าแล้วครับอาจารย์ครับผมอมาฟังหัวข้อที่น่าสนใจครับอาจารย์จะกลับเตียนถามเพราะว่าเราฟังกันมาสี่ปีกว่าแล้วครับผมผมก็ยังบอกว่าสงสัยจะมีคนไม่ได้ดวงตาเห็นทําไปบ้างแล้วครับแต่เราจะทําอย่างไรสำหรับคนที่ยังไม่ได้ให้เขามีดวงตาเห็นทําด้วยกันครับอาจารย์ครับกลับขอความเมตตาครับผมก็ต้องลืมตาเข้าไปข้างใน มันนิจตาถูกส่งออกไปข้าวนอกคือใจเนี่ยใจของเราตอนนี้ถูกกิเลนดึงให้ออกไปหาธาตุโยธาแเสริญหารูปเสียงกษษษิจวัดกันก็เลยมองไม่เห็นธรรมที่มีในใจให้เราก็ต้องดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ภายในด้วยการบาเพ็ญจิตธรรมานี่เวลาเราเจอสตินั่งสมาธิเร า, า, ราก็ลองดึงใจให้ออกจากออกจากร่างกาย คือไม่ให้ไปทา ง, ทางโลกทารกก็ทา ง, กกาทางสีคือราภยศสุรสุสทให้กลับเข้ามาข้างในภายในใจแล้วก็จะเข้ามาภายในใจก็จะเห็นธรรมต่างๆที่มีในใจที่อริยสัจสี่ส ก, กุศลบาปกรรมอะไรนรกสวรรค์อะไรต่างๆนี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่เรามมองไม่เห็นเพราะเราไม่มอง เปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเรามองขึ้นไปทางทิศเหนือนี่ด้านเดียวเราจะมองไม่เห็นทางทิศใต้ที่อยู่ข้างหลงเราถ้าเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ในทางทิศใต้เราต้องหันหน้ากลับใช่ไหมหันหลังกลับมามองทางทิศใต้เห็นได้ตอนนี้ใจเราถูกสงออกนอกนะออกไปห า, ห, าหาลูกเสียงกิจและทุกอย่างทุกๆวันเราเราหาอะไรกันหางจริงนะทุกคนที่อยา่ให้โลกนี้ย ช้าว่าไปทํางานก็หาอะไรหาเงิน อ, อย่างเงี้ยก็อก็หาเงินตอนน่ะหาลาทุกคนแล้วก็พอมีเวลามีโอกาสาก็ถ้ามียดอดคดีก็หายุดเพิ่มเตินถุงแถมก็หารางวีราวัลชนะเส้นต่างๆแล้วก็ไปหาความสุขจากโลกเสียงกิ่นต่างๆอันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดีไปกินอะไรดี ถ้าชีวิตของพวกเราเน่ยใจของเราถูกกิเลสหนึ่งให้มาทางโลกกระทำหนึ่งให้ออกจากข้างนอกจากข้างในออกมาข้างนอกไม่เคยหันก็ไมไปดูข้างในใจเาอะไรว่ามีอะไรบ้างคนที่จะเห็นข้างในก็คือควกที่ภาวนาเนี่ยพวกที่มาเป็นจิตภาวนาถ้าทำให้จิตนวมเป็นสมาธิได้ก็ถือว่าได้ดึงใจเข้าไปข้างในนะเข้าไปในใจ หลวงพ่อก็ไปในใจแล้วก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่มัปรากฏขึ้นมาในใจทั้งส่วนที่เป็นกุศลทั้งส่วนที่เป็นอกุศลส่วนที่เป็นมรรคส่วนที่เป็นสมุทัยอะไรต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงธํามทั้ายนี่หลวกพ่อมันออกมาจากใจของพระอาจารย์ใจของพระเจ้าท่านท่านเห็นเข้าไปข้างในอะไรทำต่างๆหลวงพ่อก็เอาทําที่ท่านเห็นในในใจนี่มาเผยแพร่สั่งสอนพวกเราที่ยังไม่ ดังนั้นวิธีว่าถ้าอยากจะเห็นก็ต้องไปบำเพ็ญจิตสภาวะนะฮะขั้นตอนการทำใจเขาให้เข้างในด้วยสมาธิแล้วมองใ้เข้าข้างในแล้วทีนี้นก็ให้เริ่มใช้ปัญญาแยกแยะสิ่งต่างๆที่มันในใจอะไรที่เป็นโทษอะไรที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษก็กำจัดเหมันสิ่งที่เป็นคุณก็ส่งเสารมัน มันไปยู่ในใจเราทั้งหมดทำหน้าที่เราพูดคุยกันเราจะเป็นมักแปดเป็นตายรักไม่เป็นอิธิบาสีเป็นอะไรทั้งหลายมันเป็นทำทั้งลาที่มีในในจนะครัทักงหแต่เรามาไม้เห็นกันเพราะเราไม่หันเข้ามาดูข้างในเหมือเราไม่ดูในบ้านเราเลยว่ามีอะไรบ้างเราอรอแต่ขอคืองรอบบ้าน ในบ้านเรามีสมบัติอยยะไรเยอะแยะไปหมดล้วเข้ามองไปมันต้องหันหน้ากลับเข้าไปในบ้านใจก็เหมือนกันใจแ้ะนี้หานออกข้างนอกถุงาอวิชาเนี่ยปัจจยาสังขาราเนี่ยอวิชาใช้สังให้สังขารปรุงแต่งออกไปหาปรูปเสียงกลิ่นเสมาเสดวงวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกเยื่อกายหัว า, าย พอตาหูจมูกลิ้นขาแล้วสมบัติกับรูปเสียงกลิ่น้ก็เกิดเวทนาขึ้นมามักเกิดเวทนาก็เกิดตัญหาความอยากขึ้นมามักเกิดความอยากเราได้อะไรมแล้วก็ยึติดอุปทานอยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆไปของเราเป็นานๆแต่พอร่างกายมันตายไปก็ไม่สามารถเก็บสิ่งต่างๆที่หามาได้เออต้องไปเกิดใหม่เป็นไปนะเป็นไปในพบใหม่ จะมีข้อใหม่ในการอะไรเกิดไหมกแก่เจ็บตายใหมเข้าเวรไมายเกิดอย่างนี้ไปเรืเ่อยๆเพราะใจถูกอาวิชาถูกกี่แหลงหนึน่งให้ออกมาข้างนอกหนึ่งให้ออกมาโลกกระทันทั้งสีมาอยู่โลกกระทันคือลโลกของเรื่องกายมีวระ้าทรตัดสล้วว่ามีสิ่งที่พิเศษกว่าโลกกระทันอยู่ภายในใจคือธรรมวิเศษคือมรคอมรคผล น, นิพพานอยู่ภายในใจ ที่จะให้ใจมีความสุขนั่งยืนถาวรไม่ต้องไปเว้นว่าตายเกิดมันก็ความสุขทั้งโลกที่เป็นความสุขชั่วคราวที่ไม่อิ่มไม่พอทำให้ได้มามากมากเท่าไหรก็ตามพอตายไปความอยากได้สิ่งเนี้ก็ยังมีอยู่มันไม่ยานตรถึงให้ดวงวิญญาณเราไปเกิดใหม่อย่ น, นี่เป็นสิ่งที่เราจะเห็นกันถ้าเราบำเพจิตตภาวนา เริ่มต้นด่งใจให้เข้าไปข้าง ใ, ในด้วยการใช้สติกรรมฐานสติกับกรรมฐานก็มีสติแล้อเมื่ออยู่กรรมฐานเพื่อดึงใจไม่ให้ร้อย ไ, ไม่ให้ไม่ถูกกระแสของวิชาผลดันออกไปห า, ารับยศรัสเซียหาโลกเสียงกิดพอจิตเข้าข้างในข้อสำเร็จจิตก็จะพบกับโลกอีกโลกหนึ่งโลกภายใ น, น มันก็เป็นโรกที่ในความสุข ย, ยิ่งกว่าโรคภัยนอกท่จะเริ่มในทางนีๆที่อยากจะเข้าไปในความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธี่มันมีให้กับความสุขทั้งปวงยิ่งกว่าความสุขของทางสมาธิที่ยัในความสุขไม่ยั่งยืนในของเชื่อข่าวในความสุขที่ยังย่งยืที่เราพัฒนาในที่ใช้ปัญญาให้ปัญญามากำจัด สัมโยชนิประการด้วยกันตัวที่ทำให้ใจยังหลงติดอยู่ครับราบจเจบ้าสรอเสินชมความสุขทางลง่นพอใช้ปัญญาราบสัมโยดได้ก็จะได้มรรคผล น, นิพัาไในทางเลิเ่นก็ะแสแห่งลในใจวันนั้นนิผ่านแล้วก็จบใจก็อิ่มตลอดเวลาไม่ยิ้ไม่โหยกับอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องไปเกิดเจ็บเจ็บตายไม่ว่าตาเกิดอีกต่อไปดวงตาเห็นธรรมันเห็นด้วยการ้องรเป็นจิตตภาวนาหนึ่งตอนก็ใช้สมาธิใช้สตินึงใจเข้าข้างในก่อนหัวข้างในนะไหว้ทำต่างๆก็ใช้ปัญญามาแยกแยะวิปัสสนาแยกแยะว่าทาฝ่ายดีเป็นยังไงทำฝ่ายไม่ดีเป็นยังไงทามีไปมีกุศลไปยังไงไม่ดีไปมีกุศลไดยังไง แล้วโกเป็นยางไรสวรรค์เป็นยังไมันเห็นหมดมันอยู่ในใจคราใจเราอยู่ในโลกทิพย์เราหนึงนน่งเราภานา้เรานึ่งใจให้กับข้าโลกทิพย์แ้ก็ยงสงต่างๆที่มีในโลกทิพย์พราะภูมิส่วนใหญ่สารเสิกับพราะภูมิที่อยู่ภายในใจ น, นั่นเทวาช้นมรลูกกับพร ทำไม่ได้กี่ชั่นเอาน่ออกมายกี่ชั่นอันนี้เอนเป็นงานมาทำนู่นเช่นเดียวกับฝ่ายฝ่ายไม่ดีก็คืออบายอบายก็มีไปสืบร่าง ก, กายนะลู้ก็เป็นโรงวิญญาณ เ, เขางเป็นกายทินคนที่สามารถอาวนาะเข้าแหวหนใน้จแล้วก็จะไม่สงสัยเรื่องาองานเหล่านี้ มีนวลำต่างาาหายหายสงสัยตั้งแต่พระสสดาบันขึ้นมปแล้วละหายสงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมไม่สงสัยแล้วเราะว่าทำบาต้องใจร้อนขึ้นมาทันทีใจทุกขเป็นนรกขึ้นมาทันทีครับอาจารย์ครับอย่างนั้นถ้าดวงตาเห็นธรรมก็คือขั้นแรกก็คือพระสสดาบันเลยใช่ไหมครับใช่ ในขั้นขั้นต้นก็นคือก่อนพระาสนามันก็เข้าไปรข้างในก่อนขั้นโลกประชานหะรืโลกประชานะชานะันะ่นแหละเห็นเห็นโลกทิศภายหนแล้วโลกทิศเป็นอย่างไรอ๋อโลกทิศนีมีความสุขมีความสุ ข, สขแต่ยังไม่สามารถแยก แ, แยะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ได้เพราะยังไม่มีปัญญาต้องสร้างปัญญาขึ้นื่อพิจารณาว่าอะไร ทำให้เกิดความทุกข์ใจอะไรกิดทาให้ความสุขใจก็เริ่มแย่ๆเลยโอ้ทุกข์ใจเกิดจก า, กากการกระทำาปทุกข์ใจเกิดจากความอยา ก, ากต่างๆ อ, อันนี้เราไปขั้นหนึ่งขั้นวิปัสน า, าขันปัญญาตอนตนั้นตนแรกก็ไปในรนะ้านวิเคราะห์ในร้านนะแต่อะไรไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์มีอะไรมากขั้นต่อไปแเราก็ไปดูอของต่างๆแล้วก็วิครับหอ๋ออันนี้เป็นอย่างนั้นอนะั้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรองเท้าอันนี้เป็นสัมบูรณ์ ั น, นีีมามต อ, อนนี้พยายามมีสติมากขึ้นพยายามฝุกอย่างที่พระอาจารย์สอนครับอาจารย์ผมเองรู้สึกว่าเริ่มเห็นความต่างระหว่างเวลาที่มีสติกับเวลาที่ฟุ้งครับอาจารย์รู้สึกแล้วว่ามันว่า ม, มันต่างกันเจนครับเวลามีสติใจจาเบาใจะเย็นกว่าเวลาไม่มีสติฟุง้งซ่านใจจะร้อน การยุ่งวุ่นวาครับพว ก, กเราพยายามฝึกสติให้มากมีเวลาก็เอาเวลาไปเป็เปีวิเวกวันนี้นะไม่ได้เป็นกอบเป็นกาวถ้าทำในชีวิตประจำวันนี่มันเวลามันไม่พอว่าเราจะถูกทีเด็ดมันคอยดึงให้เราไปคิดทำโลกอยู่ตลอดเวลาครับ จะพยายามฝึกฝนต่อไปนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับพะอาจรารย์คำตอบก็คือต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมทำได้ก็สมถทานภาวนาเจริญสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานาแล้วเพิ่มไม่ให้ใจคิดให้ใจเงียสงบพอใจเงียบสงบใจก็จะเข้าข้างในเห็นสิ่งหนาต่างที่มีอยู่ข้างในใจทั้นที่สองก็ใช้วิปัสสนามายญา จัดการกับสิ่งต่ตางให้เว็ใจแยกเป็นเมวดหม อ, มอ่ว่นี่เป็นธรรมนี่เป็นหนาธรรมนี่เป็นกิเลสนี่เป็นอะไรตาครับผมขอโอกาสพระอาจารย์ครับถามจากของเพื่อนๆบ้างนะครับผมจากคุณดำครับบอกว่าการเข้าถึงปรมัติธรรมสี่คืออะไรและจะต้องทำอย่างไรครับ คือเราก็ไม่เข้าใจเราไม่ได้ศึกษาเรื่องปรัชญาธรรมนะถ้าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อธิบายให้ฟังก่อนก็ไม่สาว่าที่จะตอบได้ปรัชญาธรรมสี่เป็นอะไรเราเราเราแจ้งมาให้ทราบหน่อยท่านเท่าแล้วเราก็จะได้อาจารอธิบายให้ในคำได้มันก็มีธรรมต่างๆที่มีในใจเลยกลุ่มใหญ่ๆก็ยากเป็นสองกลุ่มธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นยีเล็กธรรมที่เป็นธรรมนะครับ คุณแว่นครับการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธขณะนั่งสมาธิใช้วิธีท่องในลาคอไม่มีเสียงหรือใช้นึกคาพุทโธในใจทำอย่างไรถึงจะถูกต้องและได้ผลครับต้องนึกอยู่ในใจไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ ใ, ใจมานถึงพุทโธพุทโธมาคุนต้องเท่าอย่างมท่อในใจไม่ได้ก็ใช้ใช้ใช้ท่องในร่าง ใช้ทาทํผ่านทางร่างกายไปก่อนต้องไม่ต้องออกเสียต้องมาว่าพุดโธพุดโธแล้วก็ำหยุดหยุดดการใช้ร่างกายแล้วเดี๋ยวถึะสามารถทําไปภายในใจได้อเปร่าเพราะใจต้องเป็นคนเท่องหน่อยถึยงยอมมาทาต่างได้เราควรจะเชื่อเรื่องการสวดมนต์ไหมครับรอาจารย์ คือการสวดมนต์นี่เป็นอุบายของการเจริญสติอย่างเงี้ยคือถ้าเราสวนมนต์ใจเราก็จะถูกเน้งให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องงานต่างๆได้ถ้าเราสวดยังมีสติใจเราก็จะผูกสติก็จะผูกใจให้อยู่กับการสวดไปนั้นการโอกาสที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นไปได้ยากเมื่อไม่คิดใจก็จะค่อยๆสงบลงค่อยๆเป็นสมาธิขึ้นมา จากหนุ่มน้อยนะครับคุณยายฝากถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งครับคุณยายมีแกงหนึ่งถ้วยแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานใส่บาตรพระน้อยกว่าให้หลานบาตรไหมครับให้พระน้อยกว่าให้หลานครับไม่บาตรหรอกน้แต่ถ้าให้น้อยกว่าก็ก็ได้บุญน้อยกว่าแต่ให้หลานก็ได้บุญให้ให้พระก็ได้บุญนกนการให้เหมือนกัน ใ ห, ให้มากก็ได้บุมากให้น้อก็ได้บุ น, น้อยแต่ไม่บาปแป่อย่างใดข้อท e ี่สองครับต้มจับฉายหม้อใหญ่ตักใส่บาต ท, ทุกวันตักทานทุกวันบาปไหมครับเ <c oughs> พราะหม้อใหญ่ทานหลายวันตักใส่บาต ท, ทุกวันตักทานทุกวันครับก็ทําได้เพราะว่าตามไปที่ของมันไม่น่าเสียไม่บุญนะ อ, อย่าใส่ของที่มันเสียไปมันจะเป็นบาปเธ่าี้อย่ายให้อาหารกับมันให้ยาพิดกับ คู่รักเพราะว่าจะให้กับใครก็ได้แจะโดยทรรวเนียมขคนไทยเราต้องจะแยกกันส่วนไหนเป็นที่เราจะถวายพระเราก็จะแยกไว้ส่วนนี้ส่วนที่เราจะก็บไว้กินเองเราก็แยกไว้เองหมองอ้อหนึงก็ได้่างนี้จะดีกว่ามันจะได้เหมือนกับว่าเราให้ความเคารพไม่ต้องการที่จะอาหารที่เราจะถวายพระมาให้กัคนอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ยากก็ได้แนละ้วรู้สึกตามความรู้สึก โดยธรรมเนียมโดยความก็โดยความศรัทธาความเลื่อมใสก็มักจะยากของที่จะถอยพระออกจากของที่จะไปให้ยญานอยู่ครับผมโดยปกติพระจะไม่กินของที่ที่โยมกินตักกินเหลืออย่างนี้ใช่ไหมครับรอาจารย์ครับพระไม่รู้อ่ะจะไม่ถ้าไม่บอกโยมจะมรู้ได้ไงครับพระก็ฉันดลยินดีตามมีตาเกิดอะไรที่กินได้ก็กินทั้งหมดเลย แา่กินไม่ได้ก็ไม่กินะถ้าไม่บอกก่อนว่าเออเ น, นี่ยเป็นของเหลือจากสิ่งี่กินแล้วมาถอยผ้าอย่างเงี้ยแต่ผ้าบางรูปถ้าท่านเป็นถือไม่ถือตนท่านถือเป็นท่าคิดหรือท่านก็กินได้ถ้าท่านหิวท่านท่านขาดอาหารแล้วมีอาหารที่กินแล้วทําให้ท้องไม่เสียได้เป็นอาหารเยียวยาร่างกายได้ถ้ากินได้ครับผมโยมต้องไปจัดการเองใช่ไหมครับอาจารย์ควรจะรู้เองเออ แต่ทางโลกทางเราทําสมมุติก็เราก็รู้สึกจะแยกแยะสูงต่ำกันใช่ไหมของที่เราให้กับผู้สูงขอ ง, งที่ให้ผู้ต่ำเราก็มักจะแยกออกจากกันแต่ถ้าไม่ยากก็ได้ ต, ต, ตักใส่ชามนี่ถอยผ้าตักใส่ใส่ชามนี่ปให้ให้สุนัขกินก็ได้ไม่เกี่ยวกันเยอะก่ะจากพี่สมพรครับ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท็อกซิกจากเพื่อนต่างาศาสนาทั้งอาทิตย์ไม่ได้รังเกียจต่างชาติต่างความเชื่อแต่ออกจากรังเกียจพฤติกรรมของเขาเลยยอมเอาตัวเองหนีออกจากพฤติกรรมที่ไม่ได้ชอบบางครั้งจิตตกต้องแก้ไขที่ตัวเองเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้โยมคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วไมื่เข้าไปเห็นเหมือนกับเป็นเย น, กกน่าตการเราไม่สามารถไปให้คนตกเหงาๆได้มันก็ไม่สามารถไป เปลี่ยนพฤติกรรมหรือห้ามพฤติกรรมของคนต่างๆได้หมายให้เขาทำไปเป็นเรื่องของเขาไปครับคุณบุญมาถามว่าพ่อแม่ตายแล้วครับเราไม่ได้ใส่บาตรพ่อแม่จะมีอะไรกินไหมครับก็อยู่ที่ว่าพ่อแม่ทําบุญไว้ก่อนหรือเปล่าตอนตายเราพอทำบุญนี่แล้อตายไปก็เอาบุญที่ตอนเองทําเนี้เป็นอาหารได้ เป็นดังรอยคนอื่นทําบุญส่งแปก็ได้อต่ที่เราทํำมันเป็นตามธรรมเนียมดังนันเราจะทําบุญแนละ้วเราก็ยังสามารถแ บ, บ่งบุญที่เราทํานี้ให้กับคนตายได้นันก็แบ่งไปเผื่อคนตายเขาไม่มีบุญก็รอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ไปคุณมาริสาครับขอวิธีการปราบความโกรธครับยิ่งแก่ยิ่งโกรธง่ายครับ<ม>อาจารย์ ใช้ความเมตตาต้องให้อภัยอย่าไปติ้สาใคราพูดอะไรก็ทําอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านมาแล้วเราไปโกรธมันก็โง่ไปเรื่องการการโกรธก็เราก็ไป็นคนทำร้ายตัวเราเองคนคนที่เราโกรธเขาไม่เดือดร้อนจากความโกรธของเรานะคนที่เดือดร้อนก็คือเราที่โกรธใจร้อนเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยไฟในโลบให้ใช้ปัญญาอย่างเี้ยให้ดูว่า ใครก็พูดอะไรปุ๊บมันสําเร็จงแล้วน่ะแล้ไปโกรธมันมัน ก, มนกม็มันก็ไม่ได้ทําอะไรมันก็ไปลบล้างสิ่งที่เขาพูดก็ทําไม่ได้ใช่ไหมแล้วไปโกรธทำไมให้เสียเวลาโกรธแล้วใครเจ็บนะเราเจ็บน่คนที่ถูกแล้วโกรธเขาเจ็บไหมเขาไม่รู้เรื่องเรนเราโกรธเข้าภายในใจเขายินน้มแย้มแจ่มใสสบายอกสบายใจเลยทนะีนี้เรากำลทํา้ายตัวเราเองสองต่ อ, อ, ตอเมื่ตอนกราทารํา้ายพระเถรก็ดา แล้วก็มาทำงานก็ไม่พอใจจากการที่ก็ดาา่าอะไรนึองโดนสองเด้งทุกสองชั้นถ้าชั้นหลักก็ยอมทุกชั้นเดียวดีกว่าไปเฉยๆไปใจไม่ทุกกับการพูดของเขาไปเขาจะไม่คไม่ชอบเราก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้ไม่จะโกรธเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้นี่คือให้อภัยวิธีให้อภัย คุณรพีพรครับบอกว่านั่งสมาธิแล้วเหมือนตัวพองครับก็เลยกลัวอย่างนี้ต้องทําอย่างไรครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องสนใจมันเป็นอาการที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเองให้เราอยู่กับพุทธโธไปเรื่ออยู่กับลไมไปให้ให้เราผูกใจอยู่กับกรรมฐานไเดี๋ยว่าการต่นางๆที่มันปรกนกากฏปันจะหายไปคุณพาเพลินครับบอกว่าขับรถชนลูกแมว ครับและไม่ได้ลงมาช่วยเพราะถนนไม่สามารถจอดรถได้อย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าเราไม่เป็นเจตนาชวยเขาเขาไม่บาปถ้าเราไม่ได้จอดรถมาช่วยเขาก็เพราะเราอาจจะไม่มีความเมตตาหรือราอาจจะต้องใช้อุเบกขาในช่วงนั้นเพราะเหตุการณ์มาข้ามให้เราไม่สามารถจอดรถลงมาช่วยเขาได้บางครั้งจิตตกต้องแก้อย่างไรดีครับ แค่วสติเนี่ยพยามบริกรพรพุโทโธพุทโธนึกสวดบนตไปายในใจทั้งัาคนือเจิตก็จะดีขึ้นคุณโสมาภาครับอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดที่เขาพูดกันว่าจะใส่บาตรห้ามใครมาตักกินก่อนครับก็อย่างนี้อย่างที่ครบคารมนียควาที่เราทำบุญเราไม่อยากจะให้ใครมาแต่ เราอยายกจะแยกให้กับพระไปเราเป็นคารวาะเราต้องถือว่าเราต้องกินของเหลือจากพระได้แต่เราไม่ควรให้พระกินของเหลือจากเราในทางเราเนี่ยคือของเหลือเร า, เรามักจะเลือกไปของเด่นนะของที่ไม่มีคุณค่านะเราทันบุญที่เรอยากจะทําทถอยของที่มีคุณค่าเพราะเราอยากจะได้บุญมากๆในถ้าเราขายของที่เราเหลือกินแล้วกินเสร็จแล้วกินไม่หมดกินไม่ลงแล้วก็เอาไปใส่บาตร มันยังไม่ได้ดุามากเลยครับคุณดีซีครับฝากพระอาจารย์ว่า Little Buddha ตามความเป็นจริงควรสักการะบูชาหรือไม่ครับเป็นยังไงลิตเติลบุตดาพระพุทธรูปหรืออะไร น, นี่ชื่อภาพยนตร์ขอโอกาสพระอาจารย์ครับน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนเด็กที่ชีนิวอะครับอาจารย์ยังไงเขาเรียกลิตเติลบุตดาปะ ก็พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะก็ยังไม่ได้เข้าลบเป็นเด็กอยู่ถ้าตัดเท่านี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะนั้นยังถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์ครก่อนอาจจะจเขาลบพระโพธิสัตว์ก็ได้ไม่มีไม่มีใครว่าอะไรเข้าลบใครก็ได้แล้วแต่เราคุณบุญมาครับ บอกว่าเราช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนอย่างนี้เราได้บุญไหมครับได้ก็ เ, เป็นการทําทานอย่างหนึง่งถ้าได้ความช่วยเหลือกันเสียสละเลี้ยงปันคุณคภูวณธรรมครับเรียนถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราได้น่าจะหมายถึงได้ดวงตาเห็นธรรมครับอาจารย์ครับก็เราจะเห็นเครื่องเท่ใน ใ, นใจของเราดับ เช่นเราเป็นโน้มอะไรเงี้ยหมอบอกมารักษาไม่ได้แล้วใจเราแสนทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่เราพิจารณาความจริงว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันโนอมตายมันโนอมเจ็บเป็นธรรมชาอันนี้จังหน้าตาเราห้ามมันไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่ตายไม่เจ็บเราอยากจะให้มันหายใจเราเลยทุกข์เพราะเราพิจารณาความจริงว่าทําให้มันหายไม่ได้ทําให้มันไม่ตายไม่ได้เราก็ยอมตายใช่ไม่ทําตายความทุกข์ใจที่เกิดมันก็จะหาย ใจก็เหมือนไม่เป็นไดไเหมือนตอนตอนตอนก่อนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนเหมือนเป็นปกติใจใจกลับมาเป็นปกติก็จะเห็นได้ชัดจากใจที่ทุกข์ทรมานแล้วก็หายไปกลัมาเป็นใจที่เย็นสบายครับคุณอริยะครับภาวนาอยู่กับพุทโธพอหลงแล้วรู้เพราะนั่งสมาธิแล้วง่วงนอนอย่างนี้ถูกไหมครับ ไม่ถั่าต้องต้องอย่าหลงมไม่ไม่โม่งเลนะแล้วนั่งสมาธิให้จิตโดนให้จิตตั้งมั่นอย่ในความสุบให้การความสุขขึ้นมาแล้วพยายามหา ม, มาตรการป้องกันความความโม่งเหตุของความโม่งส่วนหนึ่ก็อยู่ที่การรับประทานอาหารคนรจะรับถ้าอยากจาวนาก็ควรจรับประทานอาหารเป็นมื้อสอมือะะ้อพอไม่รับประทานแล้วอจากเที่วกลางเแล้ว ต, อ, ต อ, งวงอวิธีการปรับความคิดในการใช้ชีวิตกับคนที่มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากความเชื่อของโยมด้วยครับก้ามองตัวอย่างให้เป็นต้นตา่างก็เป็นเหมือนผลไม้คนที่เชื่ออย่างหนึ่งก็เป็นส้มคนที่เชื่ออย่า ง, งก็เป็นกล้วย เราจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วก็ยอมยอมรับเข้ามเป็นส้มเป็นกล้วยของเขาไปนะเก็อยู่กับเขาได้คุณดีวครับอยากทราบว่าการถือทุดงคขวัตมีผลต่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมไหมครับและอุบาสกถือศีลแปดสามารถถือทุดงคขวัตไปปฏิบัติได้ไหมครับบางข้อมั น, ม, นมันใช้กับพระโดยตรง ฉั่นบินตบาเป็นวัด่านี้โยมจะไปบินตบาร์เป็นโอเมไม่ได้ฉันได้บาตรนี้ก็ไม่ได้แต่สามารถเปรียบเทียบได้การบินธบารก็คือการไปรับอาหารจากคนที่เขาสัตยาโดยที่ไม่ได้เป็นจูจจ้จี้จุกจิกเรื่องอาหารชนิดนี้ชนิดนี้แล้วแต่คนจะใส่บาตรมาถ้าเป็นโยมก็ร้านอาหารนั้นเราออกบอกออกที่ร้านที่จัดอาหารม า, ารของสาอย่าง เราไม่ต้องไปสั่งต้องเปนชนิดท่านชนิดนี้อย่างนี้ก็ได้ก็คลายปิณฑบาตนะถ้าอย่างนี้ันได้บาตก็บอกโยก็เอามาัยทั้งหมดอาหารที่จัดมาใสไปในชามใบเดียวใสไปในกรานเหมือบาบบนี้เราทาได้นะไม่มีกฎก้อห้ามคือให้เราอยู่แบบมักน้อยสะดวกเขาทุกดวงนี้มีไว้เพื่อเราอยู่แบบง่ายสะดวกไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเป็นจ๊จี้จุกจิก ต้องควรจะกินอาหารมันเหมือ น, นก็องแต่งชุดใส่สูทไปดินนอกดินเนอร์อะไรกันอาหารที่จะทานนี่ต้องมีจานสี่ห้าชนิดจานของหวานจานของคาวจานของอะไรแก้วอกีกช้อนอกีกอะไรโอ้ยวุ่นวายไปหมดแล้วกินเสร็จแล้วใครเป็นคนล้างอ่ะใช่ไหมถ้ามีบาทไปเดียวนี้มันสบายเช่พอกินอาหารเสร็จก็ล้างบาดไปเดียวจบ พาดทวงนี่พระทางอีสานนี่ฉันไม่ไม่ใช่ช้อนเลยทำไงฉันใช้มือ่ันชันแบบบลาณวัดบ า, างัตากตอนที่ไปอยู่สมัยนั้นท่านก็ไม่ใช่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่ยิใช้ช้อนนะทา่านจน ะ, ะชันเน้นเวลาชันเสร็จก็มีแค่บาทใบเดียวล้างสบาดตั้งเดียวก็เสร็จแล้วนะ ถ้ามีช้อนมีจานมีถ้วยมีอะไรนี่ก่อจะล้างเสร็จกินเองแล้วมันก็ต้องมันล้างจานเองมันก็เลยไม่เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นตอนนีาา้เราอยู่แบบเรียบง่ายอย่ายุงง่งยากกับการเรื่องปากเรื่องท้อให้มันอยู่แบบง่ายที่สุดเพราะเราจะได้เอาเวลามีค่านี้ไปลงเพนปฏิบัติธรรมจะดีกว่านี่คือเป้าหมายของการรักษาทุนดวงคาวัตา่างๆให้อยู่แบบเรียบง่ายไม่จู้จี้จุกจิก ยินดีตามมีตามเกิดนักน้อยสันดษแล้วก็เสริมความเพียรด้วยเช่นการบินต่าลนี้ก็เป็นการทําทําความเพียรในตัวอ้าจะโด่งนี้ท่านท่านต้นจะอยู่ห่างจากละแวกบ้านประมาณตสองสามกิโลเราจะเป็นถบานไปท่านต้ดิเข้าไปในละแวกบ้า น, นต้องสองสองสามกิโลไปกลับก็สี่ห้ากิโลนี่ไงห้าหกกิโล ได้ทำความเพียรของเราเดินไปก็เหมือนก็เดินโยมโภมไปเจริญสติไปมีการทำความเพียรในตัวถ้ามีเข้ามารลถ้าก็อาหารมาถวายที่วัดก็ไม่ได้บิณาบามนก็ไม่ได้ทำความเพียรแล้วก็นิมนต์ไปรับประทานอาหที่วัดเขาก็รับประทารับก็ไม่ได้ทำความเพียรเป็นพระดวงส่วนใหย่ท่าจะไม่ค่อยอยากจะรับเกียรตินิมนต์แล้วก็ไม่ค่อยยินดีกับการที่ญาติโยมญาอาหารมาถวายที่วัด ในภาษาว่าแต่ว่าแต่นี่นะเขาระงับการรับอาหารที่จะตามมาจากบินาบายครับเพราะฉะนันการจะรับอาหารจากการบินรบาลแล้วแบบรับน้อยสั้นดิพออยู่พอกินก็ครับอันี้คือตดองค์วัดต่างหาไม่เกี่ยวกับเรื่องขอาหา ร, หารและยังเรียงอื่นอีกผ้าก็ใช้ผ้าสารพินใช้ผ้าวังสกุลผ้าหอศพญายิยก็ไปซื้อผ้า เสื้อเกนเก่ากมาใสาก็ได้ถ้าอยากจะอยู่แบบแบบบ้างน้อยสันโดษนะครับแทนทีน่จะใช้ไปซื้อผ้าซเสื้อเกนใหม่ซื้อเสื้อใหม่ในร้านก็ไปซื้อร้านได้ขายของเก่าของมือสองกันเยอะแยะใช่ไหมสมัยที่เราอยู่เมืองนอกเรานก็ไปซื้อของมือสองมันถูกกว่าเยอะซื้อของมือเนี้ยกางเกงยีนตัวสิบเมตรไปซื้อของมือสองนี่เหมือนเดียวเนี้ยแล้วมันก็ต่างกันตรงที่มันมีป่านิดหน่อยปะตรงนี้ปะตองนี้นิดหึ่นย ใสก็ได้เหมือนกันเนี่ยไม่ทรา่สายมันเป็นยังไนามันตั้งแต่ก่อนัวนนะใสใสกระเกงปะแล้วเท่ไหมครับอาจารย์ก่อนทำไมไมคนนิยมมืนที่ท่น่ครับผมหรือทำไมนิยมการอก่งอย่งน้ต้งขาดใช่ขาดที่ตามหัวเข่านี่ใช่ครับทำไมก่อนเื้อหลังเก่ามามันก็ขาดยู่แล้วคับผมมันก็ปะมาม่รอยปะ เชื่อของเก่าดีกว่ามันถูกด้วยแล้วก็แล้วก็ใส่ได้เหมือนกันนี้ประโยชน์เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินมาใช้ของแพงๆเวลาใช้น้อยล้วก็ใช้เวลาหาเงินไม่มากเราพอเพลงต่อความต้องการของเราเราจะได้มีเวลาไปให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนะคาัาเม่สันโดษโยมจะลดรายจ่ายเราครึ่งหนึ่งเงนี้ แต่ว่ากาจ่ายรองครึ่งการทําอาหาริงก็เวลารองครึ่งหนึ่งได้อันนี้จะทำอาทิตย์ละห้าวันก็ทำแค่สามวันก็พอที่ได้มีเวลาสองวันไปปฏิบัติทําไม่ดีไกว่าอันนี้มีเวลาปฏิบัติทําเลยก็ต้องทำห้าวันห้าวันยังไม่พออันนี้ต้องต้องไปทํางานพิเศษเพราะใช้ของเป็นแพงยยใช้ของเยอะๆใช้ของเฟื่มเฟือยมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอเวลาที่จะเอามาให้กับการปฏิบัติศึกษารมก็ไม่มีเลย คุณสาวครับบอกว่าทํายังไงจะให้ใจสงบไม่วอกแวกเพราะว่าเดี๋ยวก็คิดไปทางโน้นทางนี้ครับก็เดิมเลยต้องมีเสเตเตย์คอยควบคุมใจให้เสเตเแล้วเลนนุ่ยวกับกรรมาฐานกรรมาฐานนนั้ไหนก็ได้พุโทโธก็ได้ชวยบนก็ได้หรือเฝ้าถูกไว้กับร่างกายก็ได้เราดูว่าร่างกายกำลัาทำอะไร เป็นถามผ้าจา์ว่าคนที่บรรลุโสดาบันแล้วเขาจะรู้ตัวเองหรือไม่ครับก็รู้เองเช่นอะไรกเวลาที่เขาจะตายเนี่เขาเจอเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายที่เขาจะต้องตายเนี่ยแล้วก็าโตพยายามแล้วว่าเกาดมาแล้วต้องตายเพรา่างกายเป็นของไม่เทีย่ยงถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยอมตายที่บรรทุกกเพราะเราไม่อยอมตายเท่านั้นเองพ อ, อยอมตายก็บรรลละตัญหาความอยากไม่ตายได้ พรอดตายนะ้ครับความอยากไม่ตายร้ดวิภพราฏสงสารน่ า, า, า, านะใจก็หายทุกเน้อที่ก็ยังไม่ตายว่าเหตุการณ์ที่จะทำมันตายนังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่พร้อที่จะทำให้เกิดขึ้นก็รอดตายไปก่อนแต่แล้วจะวันนั้นแล้วจะไม่กลัวตายมันจะท่องถึงวันสุดท้ายของชีวิตคุณอัมพรครับกลับสาธุในคําสอนของพระอาจารย์ครับ ทำไมพะพาม่าถึงมีคิวด้วยไม่เหมือนบ้านเราครับก็แล้วแต่ธรรมเนียมของแต่ละประเทศเลยนะแต่เป็นอาจจะสืบทองกันมาจักครูบาอาจารย์นู่นเก่าอันอาจจะเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องกองคิวอล้วก็ไม่กองคิวอันนี้แล้วแต่นั้นเป็นเรื่องประเทินไม่สําคัญอย่างในประเทศไทยเราตอนนี้เราทำนักก็กก่นทุกสิบห้าวันกันนี่ก่อน บางสำนักก็กนเยละครัค้งกรผมก็กรคิวอันนี้ก็แล้วแต่ผู้อาจารย์เที่ผู้ถ่ายทอดคำสอนท่านจะทำท่านท่านอยากจะให้มันแข่งก็ไม่อยากจะให้หน้าตาหน้าสวยงามด้วยผมไงเพรผมมันจะยาวหน่อยก็กรมันเลยสิบห้าวันก็กรถ้าสาสิบวันมันอาจจะยาวขึ้นมาหน่อยแนละ้วอาจจะทำํำนี้ทให้หน้าตาดูดีขึ้นอาจจะไปหน้อาจจะทําให้คนไหนเขาเห็นเขาชอบขึ้นมา แล้ววาใครจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้อาจารย์ครับหากเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวตายแล้วแต่ว่ามีความรู้สึกว่าห่วงคนอื่นที่อยู่ข้างหลังอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นประสน์้าบันได้ไหมครับไม่ได้หรอกปนะระสบด้าบันไม่ห่วงใครแร้วไม่แม่ห่วงร้างการจะไปห่วงคนอื่นทำไมให้เสียเวลาคุณสุดสวยครับ คุณตาใส่บาทครับแต่ว่าไม่เคยกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้มีผลอย่างไรไหมครับไม่มีก่อนที่รอรับมิลุญเป็ยาที่รรับก็จะไม่ได้รับทางไหนเพราะไม่แบบ่งไม่ส่งไปไม่กรวดน้ำไปในการกรวดน้ําไม่จำเป็นจะนต้องใช้น้ำไม่ได้นะใช้ตะลุกภายในจิตของเราเขาที่ส่วนบนต์น้ให้กับท่านนีท้ทนนี้ที่ร่วมรับกันแล้วก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์ดได้เหมืนัน การมีดวงตาเห็นธรรมนี้จําเป็นต้องได้พระโสดาบันไหมครับคนธรรมดาที่ปฏิบัติธรรมสามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าเป็นโทนธรรมดาก็ยังมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นสิ่งใดในการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือเมื่อว่าเกิดมาแล้วต้องตายคนธรรมดาจะไม่ยอมรับความตายกันกลัวความตายกันแต่พระโสดาบานันไม่ไม่กลัวความตายเพราะยอมรับความตาย ไม่รูว่าเป็นธรรมดาของร่างัายที่แก่มจะต้องตายคุณสุคนธ์ทิศถามครับแบอบกว่าโกรธคนคนหนึ่งมากเลยทําใจอย่างไรดีครับไม่อยากเป็นทุกข์เพราะความโกรธเลยครับก็ให้อภัเยเขาไปยกโทั่ษให้เข้าไปมันก็เป็นหนี้วเราเราเรายกโทษนะไม่เอาหนี้ของคุณนะไม่ไม่ไม่มตากแก่หนีนะ้ที่คุณแบบนหนี้ หรืว่านี่นีหายไปแนละ้วังไดความกดกันเหมือนกันเลาเขาทําอะไรเราผมเหม็นเขาทำสร้างนี้ให้กับเราเราก็อยากจะไปร่างแค้นเขาพเราคิดว่าเรายกโทษให้เขาดีกับไม่ร่างแค้นเขาใจเราก็เย็นสบายคุณมาริสาครับรู้ว่าวันเวลาล่วงเลยไปเร็วมากความตายใกล้เข้ามาแล้วการให้ทานและรักษาศีลทาเป็นประจํา การให้อภัยยังยากอยู่เพราะจริตเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขน้นอยากขอคําแนะนําจากอาจารย์เรื่องการให้อภัยคนครับก็พุทธิฐานแล้วนะมันต้องใช้สติระงับก่อนก็ได้ววเวลาโกรธใครก็ใช้พุทโธพุทโธทำใจให้นิ่งให้สงบให้เลิมความโกรธไปหัวใจเลิมความโกรธแล้วมานั่งคิดว่าโกรธแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรโกรธแล้วมันทำให้เราชั่วไปเปล่าๆมันก็จะ ไม่โกรธก็ได้มันก็จะใหออกไยก็ได้คุณจีนครับช่วงหลังเหนื่อยเลยนอนฟังเสียงทมวัดเย็นแปลแทนการสวดมนต์และฟังเพลงธรรมาจาักรแปลเพื่อให้หลับอย่างนี้ผิดไหมครับก็อ ย, ยู่ที่ว่าเราฟังเพื่ออะไรถ้าเราฟังเพื่อปัญญานอนหลับก็ไม่ผิดใช่ธรรมะนี่สามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ไหลายทางปัญญานอนหลับก็ได้ นี่จะเป็นการเข้าสมาธิกันด้แล้วแต่เราทำแบบไหนถ้าทำแบบสมาธิไม่ให้หลับก็ต้องมาอยู่ในท่าที่มันยากต่อการหลับไปต้องอยู่ในท่านด้านมันก็จะหลับยากกับท่านอนคุณสัจจะครับเพื่อนเพิ่งเสียชีวิตวันนี้ครับวางใจอย่างไรดีครับใจหายมากๆากแ่ <c oughs> นี่แหละถ้าเป็นโซนตามัน ก, ก็บอกเป็นธรรมดา สิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมีการดับไปเป็นธรรมดาก็คือร่างกายนี่ร่างกายมันมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลามันก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเราจะไปเสียใจมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัจธรรามากจริงแต่อย่างไรเขาก็ตายอยู่ดีมันไปเศร้าใจเสียใจทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรสร้างความทุกให้กับเรโดยโดยใช่ ถ้าใส่บาดกดน้ําแล้วเอ่ยชื่อคนตายนี้จะถึงเขาไหมครับก็ส่งไปแล้วแต่เขาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่เขาว่าเขามารอรับอยู่หรือเปล่าถ้าเขารอรับอยู่ก็ถึงถ้าเขาไม่รอรับอยู่ก็ไม่ถึงคุณศรีวิไลครับจากการอ่านหนังสือพระอาจารย์ช่วงที่พระอาจารย์ลาออกจากการทํางานร้าน ไอศรีมท่านได้รู้จักพระสงฆ์ที่เป็น Idol ไอดอลไหมครับหรือเรียนรู้จากการอ่านหียงอย่างเดียวครับยอดเยพระาเจ้า ต, ต น, น้นนรไดู้้จักการอา ง, งอมของพระจาส่วนสงค์อเจ้าี่ยังไม่เคยเจอเตอนนั้นพระอาจารย์ตอนเด็กๆได้โอกาสใส่บาตรกับคุณย่าอยู่ใช่ไงมครับอาจารย์ กวามจก็ไม่ได้สใส่เพราะที่บ้านเป็นอยางนับนเราว่าับเก้าพระเจ้ า, จ า, าช่เจ้าไปไปลงเจไปนัางนั่นั่ฉันกินเจนก็จะไปกินเจเป็นงยิ้วไปอะไรกันเป็นคนจีนสมัยโบราณมีเพงลงว่าตอนทั้งเรียนห น, นังสือปอนหน่งโรงเรียนเขาก็พาไปวัดทุกทุกวันพระไปไ ป, ไปทำพิธีขอพุทธมามบารมีไปสมาทานศีลไปําเทศ ก็มีโอกาสนั้นตอนเด็กๆที่ได้เคยไปในวัดอยู่ครั้งในช่วงที่เป็นอยู่ท่านปอนหนึ่งท่านทาได้ดีเพราฉะนั้นฉันก็ย้ายโรงเรียนมาเรียนโรงเรียนจีนโรงเรียนจีนเ้าก็ไม่มีเรื่องศาสนาพูดชเข้าเกี่ยวข้องพอย้ายจากโรงเรียนจีนมาโรงเรียนคลิปเขาก็สอนแต่คลิปเด็กตอนนั้ก็เลยไม่จักเรื่องของศาสนาพุทธบรงเรียนเมืองนอกก็ไม่มีคลิไม่มีไม่มีพูดธเดกเมืองนอกเขาก็ไม่สนใจเรื่องศาสนาด้วยการมา กลับมาทํางานแล้วร่างใจก็รู้สึกสับสนมึนลอยความสุขไม่เจอก็อมีคนนำหนั ง, งสือธรรมะมาให้อ่านเรื่องแรเข้าใจอ่าชีวิตนี้มันทุกข์แน่มันไม่มีอะไรเทิงแท้แน่นอนมันก็เลยเข้าใจกฎของตายรักขึ้นม า, ะะ า, ก, าก็เลยอยากจะห า, า, าวิธีปฏิบัติเพื่อให้เราไม่ต้องทุกกับเรื่องของของตายรักให้ได้ก็เละยได้หนังสือต่างๆมาในในสุดก็ได้หนังสือสติปัฏฐานสี่มา ก็สายน้นาทางของปฏิปทานสิปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิไปไม่เจอพระไม่เจอคนเลยอ ย, อ, อยู่กับทังสืออยู่กับองา์พะเจ้าตราตางวิจ้าใน้เด็ดขาจริงๆหาหนแล้วรู้สึกประทับใจมากคุณธิดาครับการถือศีลห้าสามารถที่จะบรรลุโสดาบันได้ไหมครับ ไม่ได้เ ส, ส้นสีน้ำลายอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติต้องมีสมาธิขัน้นอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาเห็นใจรักเห็นนิจจำทุกขงังนราตาของร่างกายจึงจะ ส, า, า, ม า, สามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะมนได้ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าทำเสร็จกรวดน้ําให้คนเป็นได้ไหมครับเพราะคนคนนั้นเหมือนจะเป็นคู่เวรคู่กรรมครับ อ๋อคนเป็นที่เราต้องให้ของของของกองของก อ, อ, องโดยตรงเลไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําบุญที่เราทําบุญเพราะว่าคนคนตายเขารับของโดยตรงไม่ได้เขาต้องรับบุญแทนยีน่าเอางนที่ไปทําบุญนี้ไปเอาไปให้คนที่เขาเป็นคู่เป็นคู่กรรมกันเราเลยขอโทษครับเนี่ยวันนี้ผมมีเงินอยู่น้อยสองร้อยอาจะให้คนเป็นเป็ น, นการเชื่อมสมบั ต, ติทำไมตีเรื่อยก็ว่าไป ซื้อของขวมมัญไปให้เขาก็ได้ซื้อขนมซื้ออะไรให้เขากินก็ได้เราเขาได้ของของอางจากราบ้ า, า จ, จะรู้สึกเออร์เาเราไม่มีอะไรกับเขาเราไม่เป็นพิษเป็นไัยเขาอาจจะรับรับขึ้นมาทานก็ได้ถ้าจะทํำกับคนเป็นก็ทําด้วยข้าวของเลยแี่ถ้าเราทํากับคนตายนี่เราไม่สามารถส่งข้าวของไปได้นะเราต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นบุญมาเราได้บุญมาแล้วเราก็ส่งไปให้คนตายได้ คุณแอมครับเจริญสมาธิถึงขั้นละนิวรได้พอออกจากสมาธิใหม่ให้อ่านพิจนามหาสติปัฏฐานสูตรที่ละคำสองคำแล้วจะเห็นธรรมได้เองใช่ไหมครับไม่ใช่ละคำสองคำนี้ไม่เลยนามที่ละคาสองคำ อ, อีกทีบีมันถึงยจนะจจเละน้องอ่านทั้งเป็นเรื่องเวลาไปเลยอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจาพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอะไรบ้าง คุณบุญมาครับบอกว่าช่วยเหลือคนที่ขอทำอะไรไม่เป็นเช่นเขาทําคนละครึ่งไม่เป็นไปช่วยเขาทําอย่างนี้เราได้บุญไหมครับได้คุณบุญชูครับพระโสดาบันยังตกใจกับเหตุการณ์ที่ทําให้กลัวโดยไม่รู้ตัวไหมครับอย่างเช่นการอยู่ในที่มืดแล้วมีอะไรเสียงดังที่ทําให้ตกใจหรือกลัวครับไม่ทราบรอให้คุณเป็ก่อนดีกว่าครับตอนนี้เนะีย คุณมาดูมูฟฟี่ครับบอกลูกไม่ค่อยฟังแม่สอนแม่พยายามไม่โกรธคริสคิดตลอดว่าไม่สามารถเปลี่ยนลูกได้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาได้ไหมครับได้ถ้าใจเ้าไม่ทุกข์กับลูกแล้วเราจะถือว่าเรามีปัญญาถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังมีกิเลสมีโมหามีความหลงางนี้ โยมเป็นคนที่มีบุคลิกเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมไม่น้อยหากไม่เข้าข้างตัวเองคือโยมจะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบจะไปสูงสิงกับใครแต่เป็นมิตรกับทุกคนเพียงไม่ชอบเจาะแจ๊กกับคนโปรดโปรดความสงบสันโดษเป็นทุนเดิมจะผ่อนคลายสุดเมื่อได้อยู่กับตัวเองแต่จะวายวุ่นและเล่วร้อนเอาได้หากต้องประทะประสาทะทางสังคมที่เกินความสงบสุขของตัวตนอย่างนี้แสดงว่าโยอมมีความใกล้ทำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าครับ ก็มีอยู่นะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ได้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาชอบอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติทรรมชอบไปวิวเวแวงชอบอยู่คนเดียวชอบขาดขามสมรจากการความสุมสมบไม่รุนแรงครับสิ่งต่างๆย่งราบต่างๆคุณนิ้งครับ ทำบริกรรมพุทโธขณะนอนและรู้สึกตัวอีกเช้าแล้วทําไมเหมือนแค่เพิ่งบริกรรมอยู่แค่แป๊บเดียวเองครับโดยเราเรามันนันแหละมันเวลามั น, ม, นมันผ่านไปแล้วไงบางทีเราหลับเป็นชั่วโงในในครั้งก็เฉยเราเครียดแป๊บเดียวคนเรามีปัญญาได้โดยไม่ได้ภาวนาได้ไหมครับได้เนี่ฟังเทศฟังธรรมนี่เราไม่ต้องภาวนาก็าได้ปัญญา ไปยังไม่ได้ปัญญาระดับที่ระดับความทุกข์ได้ปัญญามันมีสามระดับสามชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังทำได้ศึกษาทำอ่านหนังสือทำนั่นเรืยกว่าสุตตะมัยยะปัญญาปัญญาชนิดนี้ย่อระดับความทุกข์ไม่ได้ปัญญาชนิดสองก็ปัญญาที่เกิดจากความพิจารณาทำต่างๆอาจจะเปจนปัญญาธรรมที่เราได้ยินมาแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นขึ้นได้ เนี่ยอาจจะเป็นธรรมที่เรานลกขึ้นมาเองก็ได้ธรรมที่เกิดจากความนลือกขึ้นนี้ยังไม่สามารถไดใช้ดับความทุกข์ได้ต้องเราทํำชนิดที่สามคือภาวนาไม่ใช่ปัญญาทํามที่เกิดจากการทําสมาธิให้สงบแล้วพิจารณาทำด้วยวิปัสสนาอนนี้เราจะเป็นธรรมที่จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ รู้สึกตัวว่ากําลังมีความโกรธอยู่แล้วความโกรธนี้หายไปทันทีเมื่อทําความรู้สึกตัวอย่างนี้คือถูกต้องไหมครับก็คือมีสติพอมีสติแล้วมันก็ตัดอาจจะวนการของค ว, ความคิดโกรธได้ชั่วคราวแต่ถ้าเผลอยังต้องจำแล้วโกรธใหม่ได้คุณนัทวัลัยครับ คำกล่าวที่ว่าบุญเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้แต่สร้างได้บุญไม่ได้วัดด้วยจํานวนเงินแต่วัดด้วยเจตนาเจตนาคือกรรมบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่การกระทําภายนอกแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตคํากล่าวนี้ถูกไหมครับมันก็มีหลายระดับนะบุญมนมีส ร, ระดับบุญที่เกิดจากการกระทําทําความดีให้กับผู้อื่นนี้เริ่มด้วยละทานบุญที่เกิดจากการไม่ทําบา น้ำบุญที่กิดจากการทาใจให้สงบละ ก, กิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้มันก็มีสามระดับด้วยกันที่เป็นบุญคุณกระต่ายถามว่าตัวรู้กับจิตนี่คืออันเดียวกันใช่ไหมครับใช่คือจิตเป็นมีความสามารถที่จะรู้อะไรได้อะไรไม่ได้จิตจะเป็นตัว คารวาสปุถุชนที่ไม่ได้เป็นนักบวชสามารถปฏิบัติธรรมได้บรรลุสูงสุดถึงขั้นไหนครับขั้นบ้าทังก็ได้ถ้าแบ่งปันบุญให้กับคนป่วยอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าจะได้คนป่วยเขา้มีความสุขกซื้อยามาให้เขากินดีมาแล้วจากค่ารักษาพยาบาลให้เขาไปก็ได้ เขาจะได้ ร, รู้สึกว่าสบายใจขึ้นไม่ต้องมากังวลอย่าเรื่องค่ารักษาพยาบาลมีคนมาช่วยใจ่ายให้อันนี้ให้เขามีความสุขแบบนี้กับคนตายเราทํําทาไม่ได้แล้ ว, ลวเก็ทําสมบุญไปแทนได้นี้คนเป็นนี่ขอให้เราทํานั้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วทําให้เขามีความสุขใจอันนี้นก็เป็นการทําบุญถึงเขาคุณมาริษาครับ ทำเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนและเข้าถึงยากอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ที่เป็นลรืลับซับซ้อนเราะเาไม่ไม่มองมันแล้วเราเราหันมาให้กับธรรมเราก็เลยไม่เข้าใจธรรมถ้าเราหันหน้าก็หาธรรมเราก็จะเข้าใจมันไม่เป็นลับซับซ้อนใจอะไรพีแต่เราตอนนี้ใจเราไม่ยอมมองธรรมเลใจเราชอบว่าโลกโลกกับธรรมโลกกับธรรมสี่หน้าโยชน์เฉยสุด เมื่อมไม่เห็นธรรมนัตตต่างๆที่มีในใจเราจึงต้องบำเพ็นจิตตพาาั a v หันหันหันกลับหันที่หันออกไปทางโลกให้หันกลับเข้ามาข้างในคุณพัทรวุธครับนั่งภาวนาไปอาการปวดขามารบกวนมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ก็ใช้การสวดมนต์มาแทนถ้าดูลแล้วมันสู้ไม่ไหวก็ใช้การสวดมนต์นบ ร, ริกรรมพุโทโธพุทโธเพื่อจะได้มีสติเพิ่มมากขึ้นมันจะได้อยู่กับความเจ็บปวดได้อาจารย์ครับมีความเป็นไปได้ไหมครับที่นั่งแล้วผ่านความเจ็บปวดโดยได้สมาธิก่อนที่จะปวดนะครับอาจารย์ถ้าเลยสมาธิก่อนที่ปวดมันก็ไม่มีการปวดฮะ เมื่อถ้าเตะดีๆหั่นนั่งหั่นที่จิตดวมก็ อ, อกัปปนาอะไรข็ได้แต่เาเป็เขต้องเจอความเจ็บปวดเวลาอจากสมาธิอยู่ดีอย่างวปวดท้องปวดศีรษะอะไรเงี้นงั่นจะทำไงถ้าเราไม่ฝึกซ้อ้ไม่ก่อนถ้าเราถ้าเราเข้าสมาธิได้เวลาเวลาเจ็บท้องปวดเท้องเราก็ใช้วิธีของสมาธินี้หลบไปได้แต่เราก็ยังจะ เราก็ยังจะต้องเจอในต้องเจอกับทุกข์กับมันเวลาที่เราเข้าสมาธิไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเมว่าความเจ็บเป็นอนัตตาเราควบอุมบังคับไม่ได้นั้นหนึ่งท่ากันฝนตกเราก็ต้ออยู่กับมันไปแดดร้อนเราก็ต้ออยู่กับมันไปอาการเจ็บเป็นเหมือนกันเป็นอนัตตาเราก็ตัอผ่านอยู่กับมันไปยอมรับมันให้ได้เรายอมรับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ต้องการเราไม่ยอมรับ แต่รานี้จากมันไม่ได้ต้องหยู่กับมันอยู่ดีก็อยู่อย่างอยู่อย่าทรมานแต่ถ้ายอมนับมันก็ยังอยู่อย่างไม่ทรมานพยายามรํามันได้ก็ต้องมีควเบิกขาจากสมาธิมาสนับสนุให้ใจวางเฉยให้สัจจะวา่างคุณพัชรวัตรครับกับขอปัญญาพระอาจารย์ครับการที่ลูกน้อมนํากดไปรัก สามารถเข้าสู่เส้นทางดวงตาเห็นธรรมได้ใหม่ครับกลับขอบความเมตตาครับก็อย่างที่บอกถ้าเป็นใจรับแบบนึกคิดมันยังไม่พอมันต้องมีจิตที่เป็น อ, อุเบกขาด้วยจิตที่มีปัญนาสมาธิอ่านนึกคิดได้ปัญญาว่าทุกเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้หยุดความอยากประเด็นมันอยู่ตรงนี้หยุดความอยากได้มั น, นไม่ถ้ายุดได้มันก็ไม่ทุกข์ ถ้าหยุดไม่ได้มันก็ทุกข์ถึงแม้จะมีปัญญาบอกว่าความอยากเป็นเหตุให้ความทุกข์ใจแต่ไม่มีกําลังหยุดความอยากมันก็ยังหยุดไม่ได้ฉันอยากไม่ตายมันก็ไม่มีใอยากตายแต่ถ้าไม่อยากตายเราเจอความตายมันจะทุกข์มากถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องยอมตายหยุดความอยากไม่ตายจะหยุดได้ก็ต้องมีอุเบกขาจากสมาธิมาช่วย คุณพิมมี่ครับบอกว่าลูกทํากริยาหยาบคายกับพ่อแม่จนแม่ร้องไห้บ่อยๆลูกบาปไหมครับแล้วว่าแม่ควร <มา S 1> จะสอนลูกคนนี้อย่างไรดีครับบ<ม>าปต้องสอนให้มีข่าวพรัมมาสัมพุทธะมีค่าวตัญยุกตวเวทีกับผู้มีพระคุณหรือควรจะร่วมกันบุคคลที่มีพระคุณอู่เราขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเริ่มต้นนั่งสมาธิครับอาจารย์ ก็ให้มีสติเกลักกลับใจให้เราเล่น้อยอยู่กับกรรมฐานเช่นพุโทโธพุโทโธอันนี้แหละนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุทโธให้อยู่พุโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนี้นเรื่อนี้ให้ได้ให้อยู่พุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวจิตเขนื่งสงบเราก็จะเห็นความอัจฉริยของความสงบของใจว่ามันเป็นความสุขอย่างยิ่ง ทำอนาปานาสติคนเดียวที่บ้านถึงสภาวะอะไรควรเข้าหาครูบาอาจารย์เพื่อกันหลงวิปลาสครับก็ทำอนามาณสติก็ทําให้จิตนบบิ่งสงบเท่านั้นเองก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปหาครูบาอาจารย์นะครูบ า, าอาจารย์ท่านก็บอกว่าทำเพื่อให้จิตสง บ, บ, บตั้เนเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นผู้ไม่เสดจากการที่เราเข้าสมาธิได้มันก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งของใจเราเท่านั้นเอง คุณรัฐครับการทำบุญด้วยเงินตายไปได้ใช้เงินไหมครับทำไปเพื่อเอาไปไใช้ชาติหน้าใช่ไหมครับเวลาตายเราเอาบุญไปไม่ได้เราใช้ใช้บุญที่เราท่านได้จากการใช้เงินทำบุญในเวลาเร า, เาไปเกิดชาติหน้าเงินที่เราทำบุญมันก็จะรอเราอยู่ข้างในพ้นหน้อีกการปฏิบัติธรรมคือการดึงจิตให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดใช่ไหมครับ ก็ส่วนหนึ่งหนึ่งเจ็ดให้แม่คิดปรุแต่งก็จิตจะได้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าเราทำบุญด้วยเงินแต่ไม่ค่อยได้ใส่บาทอานิสงส์งที่ได้จะรับในชาติต่อไปจะต่างกันไหมครับไม่ต่างกันเหมือนกันทำงานไม่เสียค่าใส่บาทเนะี่ยถอนเงินใกันกได้ คุณมนชัยครับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่ารู้ได้อย่างไรว่าเราสามารถที่จะละสักการะทิฐิได้แล้วครับกาา็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บครการใส่บาตรถ้าเลือกพระรูปที่จะใส่ที่ดูสัมรวมและไม่ใส่พระที่ไม่สํารวมอย่างนี้ผิดไหมครับไม่ผิดคนระคุณพัชรีครับ ถ้าผู้สูงอายุท่านชราภาพใกล้จะเสียชีวิตสิ่งที่ควรทำให้ท่านไปอย่างสบายและสงบควรทำอย่างไรครับทำตามใจท่านเลยท่านต้องก า, าให้ทำก็ทำให้ท่านไปยไอย่าไว้ว่าทำบาปเป็นอย่างไรทำเช่นท่านาอยากให้ข้าข่าท่านก็อยากไปทำอันไหนถ้าไม่ผิดศีลก็ทำ า, ทำาทำไปทำให้ท่านสบายสบายกายสบายใจ มีคำถามบอกว่าปวดก็รู้ว่าปวดอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เฉยๆไปไม่ไปทุกข์กันแล้วพยายาให้แล้ความปวดหายไปไปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าอยากให้มันหายใจจะทุกขึ้นมาทันทีคุณวรรณภาบอกว่าให้สามีใส่บาตรทุกวันเราภรรยาได้บุญไหมครับใส่ปัจจัยก็อยู่ที่ว่าของที่เราให้ไปในไหนของใคร ถ้าเป็ของคทั้งสองคนก็ได้บุญทั้งสองคนถ้าเป็นของเราเราก็ได้บุญคนเดียวถ้าเป็นของสามีเขาก็เป็นคําว่าได้บุญของเขาคนเดียวก็อยู่ว่าเป็นสมบัติของใครเป็นทรัพย์ของใครผู้ที่มารอรับบุญคือผู้ที่อยู่เฉพาะในอบายเท่านั้นใช่ไหมครับใช่โยมเนี่ยที่ในอบาย ดูแลคุณแม่สูงอายุมีอาการสมองฝ่อวิตกกังวลมากกลัวมากอธิบายท่านก็ไม่เชื่อช่วงนี้เราจึงมีอารมณ์โกรธท่านบ่อยๆดึงสติไม่ทันจะบาปมากไหมครับการเจริญสติและเมตตาต้องทําให้มากขึ้นใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้แสดงออกมาทางวาจาและการกระทํางก็ยังไม่บาปแต่ก็เป็นวความคิดที่ไม่ดีที่เราควจะระงับเสียอย่าไปกอดท่านก็บล่อยให้ท่านเป็นไ ป, ไปตามเรื่องของท่านเล คุณสุกัญยาครับรู้ดีรู้ชั่วรู้นรกสวรรค์มีจริงถือศีลห้าทำแต่บุญกุศลใส่บาตรสวดมนต์ในทุกวันถือว่ามีดวงตาเห็นธรรมหรือยังครับยังไม่เห็นอันนี้เป็นความเชื่อเชื่อจากคนที่เ็ามีดวงตาเห็นธรรมนะถ้งเราไม่ภาวนาเราจะไม่เห็ น, น, หนยดยตองเางคุณแฮปปี้ครับ จะสังเกตอย่างไรว่าบุคคลหนึ่งได้ธรรมะขั้นต้นแล้วครับสังเกตไม่ได้นอกจากควงมธรรมของเขาอย่างหนึ่งแล้วก็ทำที่เขาแสดงมาถ้าเราสามารถนำมาแปลดไปปฏิบัติได้ผลด้วยอันนั้นแล้วเราอาจจะเชื่อได้ว่าเขาเป็นเขาเขาได้ธรรมะแล้วเพราะทำที่เขาสอนเราแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติทําให้เราได้ได้มีแนวทางทำเหมือนกับเขา การดูลมกับอานาปานาสติคืออันเดียวกันใช่ไหมครับใช่อนาปานาแปลว่ามีสติรู้อยู่กับลมเข้าลมออกอนาปานาแปลว่าลมเข้าลมออกสติคือการดูลมลดรู้อยู่ครับการเข้าออกของลมคุณอุไรวันบอกว่าได้รับหนังสือชี้ว่าประวัติและพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ดีมากนะครับส่งคุณค่ามากครับพระอาจารย์ครับใช่คือ บทนท่านผู้เขียนพูดจาส่งเสริมนรามีคนคอมเมนต์มาว่าอ่านจบแล้วเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับเราทําบุญอุทิศกุศลให้แม่ท่านจะได้รับไหมครับถ้าท่านมารอรับก็ได้รับถ้าท่าน ม, มีบุญหน้าพอท่านมารอรับท่านก็ไม่ได้นะ คุณประชาครับถ้าตัวเราข้ามถนนประมาทไม่ระวังโดนรถขับมาชนโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจสรุปว่าตัวเราทําบาปให้คนขับรถทุกหรือคนขับรถบาปเพราะทําให้เราเจ็บหรือไม่มีใครทําบาปเพราะมีใครอยากให้ใครทุกครับไม่มีใครทาบานเลยเราก็ไมมีเจตนาเราก็ไม่มีเจตนา เราควรจะวางใจอย่างไรเมื่อเราโดนยึดบ้านก็เตรียมใจแล้วว่าต้องย้ายออกทุกอย่างเป็นอุเบกขาเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตายอยู่ดีเป็นมะเร็งครับและไม่รักษาต่อแล้วครับอาจารย์ใช่มีเกิดแค่นี้ก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาคุณลักกี้ครับถ้าเรานอนฟังไลฟ์ธรรมเทศนาหรือทานข้าวขณะฟังธรรมอย่างนี้บาปไหมครับ ก็ไม่บาปแต่ก็ไม่ได้ให้ความประโลมผู้แสดงนะเนี่ยเราจะสบายเกินไปผู้แสดงบาดเปียกบากชีกเพื่อให้เราได้ธรรมะแต่เรากบบนอนฟังเนี่ยแต่สมัยนี้มันก็ถ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้ากันก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่ถ้าคนแสดงธรรมอยู่ต่อหน้าเราแล้วเรานั่งได้แต่เราไม่นั่งมาขี้เกียจอะไรอยนอนฟังอันนี้มันก็โหดกันหน่อย คนจะได้ทํำงานแล้วถ้าขนาดนี้อย่าไปสอนมาให้เสียเวลาดีกว่าขนาดขนาดนั่งท้างนี่เฉยมันยังนั่งไม่ได้แล้วมันจะไปปฏิบัติทําได้ยังไงพระอาจารย์ครับกราบขออุบายเร่งความเพียรครับได้แล้วเรืถึงความตายไปเลยความตายนี่อาจจะมาได้ทุกเวลาทุนาทีตอนนี้เรามีเวลาถ้าเราไม่รีบเดี๋ยวถึงเวลาตายแล้วเราจะไม่มีเวลาได้ปฏิบัติ คุณปุณณพาครับปฏิบัติสมาธิแล้วและถือศีลแปดรู้สึกตัวบ่อยๆแต่ไม่เหนื่อยอยากนั่งสมาธิเดินจงกรมต่ออยากทำเต็มที่อยากศึกษาพระธรรมพระพุทธเจ้ามากขึ้นที่วัดยานมีที่ปรีกวิเวกไหมเจ้าคะบวชชีพราหมณ์ถ้าบวชที่วัดเสาร์อาทิตย์สามารถไปฟังธรรมน้ากุติหลวงพ่อได้ไหมครับ ได้ที่ว่าเข า, าให้มาอยู่ได้แต่ยังไม่ต้องอยู่คข้าาไม่ตัำมวาสามวันขึ้นไปยไม่เกินเจ็ดวันแล้ก็เวลาตอนบ่ายมันเสารที่มาพักก็มาทำธรรมที่หน้าบุติได้คุณสุรางครับรู้สึกหงุดหงิดเมื่อเห็นคนทำผิดระเบียบเช่นวินัยจราจรการแซงคิวในการทำภารกิจต่างๆและอื่นๆ จะวางใจให้นิ่งได้อย่างไรครับที่เราเวียนทบกี่เหลวมาเราอยาให้เขามีระเบียบนะกันนะเราออก็ลองมองเขาว่า เ, าเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาบางคนก็มีระเบียบบางคนก็ไมีระเบียบถ้าต้องม่ยอมรับกับความเป็นจริงของเขาเราก็จะไม่ยวียนคุณชัยครับตอนช่วงที่สองเจริญสตินั่งสมาธิเห็นพระอาจารย์นั่งจับตาตลอด กลับเรียนถามเพราะเหตุใดครั บ, บอ๋อช่วงนี้แมงวีมันเยอะออแมงวีมันจะมาใส่ที่ตาครูเนี่ยมันจะใส่ใส่เชื่อเข้าไปที่ตาก็เลยต้องเอาเอาเมือมาปิดเพราะว่ามันเป็นแมงวีมันก็เลยหนีไปช่วงนี้ทั้งทั้งวันเลยทั้งเททั้งอะไรเนี้ช่วงมมนี้น่าเจอแมงวีถ้าดูรูปของญามโยที่มนันจะเห็นมาก่อนเอาภาพคลุมหน้าภาพภาพคลุมศีรษ เพตช่วงนี้ไม่ทราบมาจาไหนเยอะมากมครับเวลาไปไหนเจออะไรมักคิดจะซื้อของกินมาฝากแม่แต่ก็มักชะงักเพราะแม่มักมองลมมองลบเช่นว่าเรากินใช้ราคาสูงทั้งที่เราลงทุนอาหารที่ดีกับสุขภาพเพราะเราป่วยแต่แม่ชอบกินอาหารขยะและอาหารถุงพลาสติกควรทำอย่างไรดีครับ กอย่าให้แม่เคยมีความศรัทําทำตามที่เขชอบเลยอย่ไปฝืนเขาคุณประชาะครับถ้ารู้สึกไม่อยากปฏิบัติธรรมเพราะต้องใช้ความพยายามมากเวลามากทุกวันนี้ก็สุขสบายอยู่จะรอให้อายุมากมากก่อนค่อยปฏิบัติธรรมจะได้ทำอย่างเต็มที่คิดแบบนี้ดีไหมได้ไหมครับ ก็ได้แต่มันอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสุขอายุเสียเหมืนอน ก, กันัวตายก่อนแล้วถ้ามีสุขอายุนี้มันกำลังวังชาที่จะปฏิบัติเป็นก็น้อยนลงปฏิบัติยากมากคน แ, แก่นี่จะลุกจะนั่งจะทําอะไรมันเจ็บไปหมดนี่ควรจะทํานั้นแต่ตอนที่ยังเป็นหนุ่มนี่แหละตอาที่มีกำลังวังชาออนที่ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์จัจะได้ผลดีกว่า คุณสุธีราครับถ้าเพิ่งทราบว่าเป็นเส้นเลือดโป่งพองในสมองขนาด6คูณ7มิลเมตรและจะต้องผ่าตัดควรทำใจอย่างไรครับควรทำคทใจว่าตายถ้าจะต้องตายก็ยอมตายถ้าไม่ยอมตายก็จะทุกข์คุณนิยมครับ อยากนั่งสมาธิครับทำยังไงถึงจะนิ่งได้ครับเริ่มทำอยากให้ท่านอาจารย์แนะนำขั้นตอนการ น, นั่งครับเรืง่ายนั่งหลับตาแล้วให้มีสติแล้วแล้วไม่อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวอยากฝายให้ใจเราคิดเรื่องนั้นเรืองนี้ให้อยู่กับพุทโธไปถ้าอยู่พุทโธได้ได้อย่างต่อเ น, นื่องหนาทีสินาทีจิตก็นิ่งสงบได้ อาจารย์คำถามนี้ผมอ่านไม่เข้าใจนะครับแต่เขาถามว่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องทวินเฟรมไหมครับทวินเฟรมไม่ทราบนะทวินเฟรมเวลาทำบุญทำกุศลจะรู้สึกไม่ค่อยจำไม่ค่อยใส่ใจและไม่รู้สึกสุขใจเท่าไหร่แต่เวลาทำผิดเช่นอาจผิดศีลเล็กๆน้อยๆกับรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากครับก็เป็น น, นิสัยเรา เราพิจารณาองการมันเงี่มันเนืน่าไม่ไม่สนใจการทำบุญด้วยการโอนเงินปัจจัยกับการไปใส่บาทหรือไปทําสังฆทานที่วัดได้บุญแตกต่างกันไหมครับไม่ต่างเลยต่างกันตรงที่ว่าถ้าไปทําเองก็ได้ความเพียรด้วยถ้าทําที่บ้านหรือทําใช้ผ่านมือถือมันก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําความเพียรไม่อดเดินทางไปทําบุญ แต่บุญที่ได้จากการรอยจาาซ้ํา็เท่ากันอาจารย์ครับสีลข้อสี่ถ้าละเอียดขึ้นจะเป็นสัมมาวาจาในมรรคแดใช่ไหมครับใช่มีอสี่ใ น, นกันไม่พูดปดไม่พูดคำยาไม่พูดเพ้อเจอ้ไม่พูดส่อเสียไม่พูดให้คนเาทะเละหมกมาแห่งกันไม่พูดเพื่อให้เกิดความแต่แยกสามวิธี ตอนที่พระอาจารย์หยุดทํางานหนึ่งปีเพื่อฝึกปฏิบัตินี่คืออยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนไม่ติดต่อใครเลยหรือเปล่าครับยุคนี้ถ้าจะทําอย่างนั้นต้องไม่ใช้มือถือเลยใช่ไหมครับถึงจะได้ผลเร็วครับใช่สมัยนั้นไม่มือถือก็เลยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดต่อใครแต่ก็ไม่ไน้100อยเปอร์เซบางครั้งเราโอกาสก็ได้ติดต่อกันบ้างแต่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็น เราใส่บาตรห้ามนั่งรับพรถูกไหมครับอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เลราะมัเป็นปัญหาทางมาหลายครั้งมันแค่นี้ก็เขาว่าตาพระไม่ในสมัยโบราณนั่นาถ้าพระให้พรยืนเราก็รอย็นรับถ้าพระนั่งให้พรเราก็รอรับนั่งรับตามแตสมัยนี้ยมย่านโยมชอบนั่งมากกว่าเพราะพระจะยืนนั่งนั่งโยม่็จันนั้ง แล้วพอนักกลุยมกับ้านี่ก็ดูตามการรัเทศบาลดูตามทำเนียบเพลงนี้ที่เขาทำกันในป จ, จุบ ม, มีคนถามหาหนังสือชีวประวัติอาจารย์ครับยังมีแจกอีกไหมครับอาจารย์หน้ากุดหมดหรือยังครับอาจารย์ครับก็ไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์พ a s สุชาติ .com ม, มีหนังสือดาวน์โหลดหนังสือไซต์เป็นเป็นไฟล์ pdf อ่านในมือถือได้ หนังสือยังมีอยู่ที่อยู่ที่วันยังยังพอมีอยู่แต่ไม่ทราบว่าจะจ ะ, จะติดต่อกันยังไงครับอันนี้แต่ว่าแต่ตคุณหมออาจจะติดต่อกับทีมงานที่จัดการส่งหนังสือให้ว่ายังพองจะจัดสเพิ่มได้หไม่ครับอาจารย์เดี๋ยวลองปรึกษากันดูครับอาจารย์ครับ อันนี้น่าจะเป็นพยาบาลครับอาจารย์บอกว่าถ้าขยายอายุราชการไปเป็นเจ็ดสิบปีแล้วสายตาฟ้าฟางหูก็ตึงถ้าหมอสั่งยาแล้วฟังผิดจะทําอย่างไรดีครับอาจารย์ชวันทภาแม่พรก็อย่าไปทําเลยเรต้องรู้จักตัวเราเองเฉพามที่ทํางานให้ได้ให้ได้ประโยชน์อย่างสูดสุดไม่เกิดความเสียหายหรือไม่ถ้ามีโอกาสที่ทําให้เกิดความเสียหายก็ต้องลาออกจากงานไปไม่ควรจะทําต่อ เพราะทางทีจะเป็นคุนกระโยนเนอากลายเป็นเทยขึ้นมาคนที่ตายไปแล้วถ้ามาหาลูกหลานเป็นงูมาได้ไหมครับได้เป็นงูก็ได้เป็นหมาก็ได้เป็นแรงก็ได้นะแต่คุณสรวิทย์ครับ อปปนาสมาธิเมื่อฝึกจนเป็นอัตโนมัติแล้วจะเป็นอุเบกขาอยู่เอริยาบทใช่ไหมครับใชอ่อยู่ในสมาธิก็มีอุเบกขาออกจากสมาธิแบบก็มีอุเบกขาแต่าจะค่อยๆจาหายไปพอมันจาหายไปก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เหมือนแบบตะรี่เวลาชาร์จแบบแบตบมันก็เต็มพอเราเอาเอมาใช้เนื้อแบตบมันก็หมดแล้วก็กลับเข้าไปชาร์จใหม่อุเบกขาก็เปเหมือนเป็นแบตเตอรี่ อาจารย์ครับเวลาที่สมมุติว่าเรามีปัญญาอยู่แล้วแล้วเราไปได้อัปนาสมาธิปับ๊บนี่เราจะได้เป็นพระโสดาบันเลยไหมครับอาจารย์ก็ต้องดูเหตุการณ์ต้องดูครับถ้ายังทุกขไม่เกิดเรายังไม่รู้ว่าดัามทุกข์ได้หรือไม่ต้องไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้จใจเราทุกข์แล้วเราสามารถใช้ปัญญาเอาเบกค้าหยุดความทุกข์นั้นได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เห็นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันก็ยาที่คุณบอก จะเป็นรับประทานนี่แต่ยังไม่ได้รับประทานคุณหมว่ายังไม่แน่ใจว่าบัญญายนรักษาโรคให้หายได้หรือเปล่าก็ต้องรอให้เกิดโรคแล้วรับประทานยานล้วก็ไม่ีนยยังไม่รู้ว่าใช้ได้ยิ่ว่าคนคิดพิจารณานด้วยปัญญายอมรับยอมรับว่าไม่กลัวตายเนียมันพูดได้นะถึงมันมันจมันจะนเป็นอย่างที่พูดหรืป่านี่ต้องไปพิสูจน์ <c oughs> วันนี้ฟังทำนั่งสมาธิหน้ากุฏิกับหลวงพ่อแมลงหวีเยอะมากครับลืมตาเห็นแมลงตัวเล็กๆเหมือนไรดำเกาะแข น, ขนเกาะเสื้อหลายร้อยตัวคันยิบๆเกือบทนไม่ไหวจะลุกออกไปข้างนอกไปปัดออกแต่พอนึกขึ้นว่าฉันทอมาไกลจากกรุงเทพเพื่อมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อไม่ใช่ต้องมานั่งปัดพวกแกหรือตั้คานพวกแกเชิญดุมตอมไปเลยตายเป็นตายครู่เดียวเข้าสมาธิเพลินไปเลยครับหลวงพ่อจนหลวงพ่อบอกหมดเวลา กลายเป็นว่าพอมีอุปสรรคแบบนี้ใจมันสู้ทําสมาธิได้ดีกว่าทุกครั้งอีกครับหลวงพอ่อใช่บางทีทุกมัมีปัญญาหนูเกิดทําไม่เกิดมันมีความชัม่วมาแล้วต้องเราต้องมีความเพียรพยายามต่อสู้กับมันให้ได้เราูกบมันได้จิตกสมม็สงบได้กลความสุขขึ้นมาเวลาใส่บาตรมักนึกถึงประโยชน์ของอาหารที่ทําถวายพระกอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ คิดไดไไ ไ, ไ้้มมม่ีขอาอาคุณวีว่าครับอานาปานาสติสมถกรรมฐานแตกต่างกันอย่างไรครับขอพระอาจารย์เมตตาครับอานาปานาสติก็มีไว้เพื่อทําให้ใจสงบสมรมฐานก็อารมณ์ที่ทำให้ใจสงบซึ่งอนาปานาสติก็เป็นหนึ่งในกรมนมกรมฐานของสมัฏฐานกรรมฐาน รกรรมพุโธพุทธานสเตก็เป็นสมถะกรรมฐานานะครับคุณตุ้มคะสวรรค์น ร, รกมีจริงหรือเป็นการเปรียบเทียบว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจครับความสุขความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะคือสวรรค์และนรกเมื่อเราทราบว่าเราเจ็บป่วยแล้วรู้สึกทุกข์ใจมากควรทําอย่างไรครับ เพระเาะพจรณาด้วปัญญาที่ว่าที่เราทุกขเพราะความอยากอยางไม่ไม่ไ ม, อไม่อยากไม่เจ็บป่วยอยากให้หายในตอนเนี้ยที่เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์มาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากอยากจะให้ทุกข์หายไปเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราห้ามความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นธรรมดาของร่างกายการมาแล้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับได้าการทุกข์ทรมารยก็จะหาย คุณมารวยครับขอสอบถามวิธีฝึกตายก่อนตายต้องทําอย่างไรจะได้ยอมรับความจริงและการปล่อยวางตอนที่ตัวเองหรือคนที่เรารักต้องจากไปครับก็ไปอยู่ตามสถานที่ที่น่านกลัวที่อาจจะมีภัยต่อชีวิตของเราเช่นพรดทุนนงนั่นก็ไปอยู่ตามป่าตางเขาตามที่มีศัตว์สิั้นไม้ต่างๆแล้วเปิดเวลาที่ท่านไปเจอภัยต่างๆถ้าท่านปลงได้ยอยมได้ท่านก็จะหากให้คุณมา เัญญาายานะคุณป๊อปปี้ถามว่ารักษาศีลบวกกับการทำอาณาปานสติอย่างนี้ได้อานิสง์มากกว่าการใส่บาตรใช่ไหมครับก็เ ป, ป็นบุญขอย่าง ก, ก, กันนะเป็นบุญมากกว่าบุญที่ได้จากการใส่บาตร สติปัฏฐานนี่คือทางปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานที่ถูกต้องที่สุดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องสติปัฏฐานนี่จสอนสามอย่างด้วยกันสอนเจริญสติสอนนั่งสมาธิแล้ก็สอนจุพิจารณาปัญญาการฟังเพลงมีผลกับการปฏิบัติธรรมไหมครับมีมันก็จะเป็นนิวรณ์นะมันจะทำให้เราดั้งสมาธิไม่ได้ นั่นอย่างน้ติดนันอยติดวิญญาเสียติ ด, ต ด, ตดคุณคณิ t h าครับผู้ที่เสียชีวิตไปนานแล้วสามารถกลับมาที่บ้านได้ไหมครับน่าต่เขาเขาก็อยากจะกลับมาก็อาจจะกลับมาได้แต่เข า, ากลับมาแล้วมันไม่มีที่ให้เขาเกิดการที่จะเกิดนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้ลเลยไม่เกิดที่ไหนเลย ด้วยคตอบแล้วไม่น่าจะกลับมามาได้ด้วยด้วยเจตนาของตนเองนอกจากว่ามีภาวะมีอะไรที่ทําให้มันเกิดหรืว่าจะกลับเกิดได้อาจารย์ครับจากคาถามสวรรค์นรกเมื่อสักครู่ครับอ่ที่สวรรค์ในอกนรกในใจแต่ว่าพอเราตายไปแล้วเนี่ยจิตก็ไปเสวยนรกสวรรค์จริงๆใช่ไหมครับก็บจะสวรรค์เป็นเรื่องเป็นอยา่างเลยนอนนอนหลับฝันเนี่ย เราฟันลายอย่างเงี่ยก็เป็นอรมณขึ้นมาฟันเด็ก็เป็นสว่างขึ้นมาแล้วมันจะอยู่อยู่ตามบุญกรรมที่เราทํำเลยใช่ไหมครับอยู่เป็นระยะเวลานึ่ยนานพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์เ็ตามกำลังของบุญหบาปที่เราทํำไหมเหมือนเติน้ํามันอเงี้ยน้ำมันมันก็ทำให้รถวิ่งไปจักราน้ำมันมันหมดรถก็หยุดวิ่งบุญหรือบาปเว้ทําให้เราฟันดีฟันลายไปได้กว่าบุญหรือบาปมันหมดกำลังา มันก็จะหยุดฝันดีและไม่ดีเพราะตอนนั้นมันก็จะพาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ขอวิธีจากพราจารย์แก้ไขความขี้เกียจได้ไหมครับก็อย่างที่บอกให้เราเจอความตายอยู่เลยเราคล้คิดเสมอว่าความขี้เกียจไม่สามารถทําให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาไนดะ้ถ้าเอะไจะได้เราก็ต้องก็จากการกระทํา ความพิจิตไม่สามารถอธิษฐานความได้ต่างๆได้มาได้คุณจินนี่ครับอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสีต่างๆเรานั่งผิดวิธีไหมครับและต้องทําจิตอย่างไรครับอไม่ผิดหรอกเวลานั่งสมาธิอาจจะมีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจได้ข้อสําคัญก็คืออย่าไปสนใจให้จิตเราผูกไว้กับกรรมฐานาเราพุโทโธก็อยู่กรรมฐานไปมือก็อู่ล อย่าไปสนใจกับอาครารต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองทําบุญกับพระที่ไม่มีศีลเราได้บุญด้วยไหมครับได้ทำบุญกับไม้ ย, ย่างงั้นบุญไปแล้วมอกับคนยังมันจะไม่ได้บุญบุญไม่ได้อยู่ที่ผู้รับบุญอยู่ที่ผู้ให้พอพอให้แล้วก็ได้บุญได้ไหมัความสุนใจเห็ใจ กับเรนพระอาจารย์อีกสักหนึ่งคำถามครับการยึดมั่นในศีลจนเกินไปจนเกิดความทุกข์ในใจต้องแก้อย่างไรครับหรือว่าเรามีปัญญาน้อยไปจะทําอย่างไรในการวางใจไม่ให้ทุกในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องศีลไม่ให้ทุกข์ครับก็ลองดูเหตุผลของการรักษาศีลมีไว้เพื่อทําไมเพื่อไม่ให้เราไปสร้างความเสียหายเดือรดร้อนให้กับผู้ นั่นบางทีถ้าเราทำแข็งเกินไป้วมันไม่ได้ทำให้เขาเสี ย, ยเนื้อนอนแต่มันทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าเราแข่งเกินไปนะเราก็ต้องปรับให้ลดลงหน่อยอยากไปทำให้เขาเดือดร้นเสี ย, ยเนือนอนแนละตัวเราเองก็ไม่ควรจะเสี ย, ยเนื้อนอนจากการรักษาสี้ด้วยนั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกตัวโยกตัวโครงเครงควรจะแก้ไขอย่างไรครับแสดงว่าสติเรายังมีน้อยไป ควรจะสวมดมนตไปก่อนอนได้ น, นะบริบการพุทโทรพุทธโทรเข้ามาวันนี้คําถามหมดแล้วนะครับรอาจารย์ครับออมอีสองข้อเข้ามาครับใครๆที่มีคําถามสามารถที่จะส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับเหลืออีกเก้านาทีนะครับคุณวีว่าครับการฟังธรรมะทําไมถึงได้บุญครับขอพระอาจารย์เมตตาครับก็บุญคือความสุขใจสบายใจ วันทีเราเครียดกันเรื่องเรองนี้พอเราทาทำแล้วเราตรงได้ก็เกิดความสงบขึ้นมาจากความเครียดก็หายไปแต่ความสงบ ก, กับควับสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็คือบุญคือความสุขใจห่วงใจมีน้องสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งครับชอบเครียดเพราะห่วงลูกหลานที่ยังไม่แข็งแรงถามว่าพี่สาวจะช่วยเขาได้อย่างไรดีครับ คณะแต่แก็เป็นความสามารถจะให้อะไรก็ได้ก็แบ่งบอลโดดให้เขาไปเลยมีทรัพย์สินได้กังวลว่าเขาจะอยู่ยากหำบาก็ทำที่ไหนกลับไมก็ได้นะงอยากตายไปแล้วขอแบ่งกินส่วนที่ให้กับลูกหลานไปก็ให้ในสิ่งที่เรามีถ้าเราไม่มีอะไรจะให้ก็ช่วยไม่ได้ คุณสรวิทครับเมื่อมีการฝึกสมาธิจนกระทั่งอยู่อริยาบทไหนก็มีสติรู้ตัวเป็นอัตโนมัติแล้วอันนี้ถือว่าเป็นฌานไหมครับไม่เป็นนะแล้เป็นฌานต้องนั่งเฉยจิตตั้องแนงไม่คิดปรุงแต่งไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทำํำคนที่รักคุยกันทุกวันก่อนนอนหลับตายจากกันจะมาหาได้ไหมครับจะทําใจอย่างไรดีครับไม่เท่คนก เวลาตายเวลามันอยู่ที่กฎแห่งกรรมแล้วมุนกรรมจะพาไปนะสติอ่อนครับแก้ยังไงครับเราจะเล่สติให้มากขึ้นมันจริญพุทโธพุทโธให้บ่อยขึ้นในระหว่างวันน้องหมาตายครับรักเหมือนลูกต้องพิจารณาอะไรที่จะไม่ให้จิตเศร้าครับให้กลับมาเป็นปกติได้ไวๆครับ คนคิดว่าเป็นธรรมดาเมื่อันตรายอีกแล้วก็ต้องตายวันใดวันหนึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แล้วส่วนที่ตายก็ไม่ใช่น้องหมาร่างกายของน้องหมาไม่ใช่ตัวน้องหมาตัวน้องหมาก็คือดวงวิญญาญองวิญญาณของน้องหมาไม่ตายไปกับร่างกายพิจารณาแล้วหมาต้องไปหาร่างกายใหม่เกิดใหม่เท่านั้นเองอาจจะดีเสียได้ว่าอาจจะหมดกรรมจาก จากการไปเป็นนาาจะไปเกิดคราวหน้าอาจจะได้ไปเป็นมนุษย์ก็ได้ชอบฟังธรรมไม่ชอบสวดมนต์ครับได้บุญต่างกันไหมครับต่กันถ้าสวดมนตก็จะได้สมาธิได้ครับสงบในระดับนึ่งถ้าทำธรรมก็จะได้ปัญญาสมาธิจิ เราสามารถทำบุญให้ญาติที่เป็นมะเร็งได้ไหมครับแลวต้องบอกญาติไหมครับเราทำให้กับคนเป็นไม่ได้เราอยากให้คนเป็นมีความสุขล้วก็ล้วก็ซื้อของไปให้เขาทำอะไรให้เขามีความสุขการที่เราทำให้พ่อแม่หรือคนอื่นมีความสุขเป็นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจใช่ไหมครับที่พระท่านไม่ให้เราสนใจคนอื่นให้สนใจตัวเองเพราะ จะไม่เกิดการเบียดเบียนใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกคือการทําความดีกรับพูดในการแผ่เมตตาให้พอกเขาให้เขามีความสุขสุขีอาตาดำบริหารนันตุกสัตว์ทั้งหลายทั้งปมีแต่ความสุขเนี่ยด้วยการกระทาที่ดีของเราทําให้เขามีทําให้เขามีความสุขได้ขึ้นมาอส่วนการที่เราไม่ไม่ไม่สนใจให้ ให้เราสนใจตัวเราเองไหมสนใจคนอื่นอันนี้ก็มั น, นก็เป็นเป็นการปฏิบททัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมนี้ยล้วต้องคอยดูตัวเราให้มากกว่าอยู่การกระทำของเรามากกว่าเราดูการกระทำของคนอื่นถ้าเราดูการกระทำของเราเราก็จะรู้ว่าการกระทำของเรานี้จะปเป็นเบีบีนผู้อื่หรือเปล่าถ้าจะเป็นเบียดเรียนเราก็อยาาไปทํา ฟังธรรมะของหลวงพ่อบ่อยๆเหมือนน้ำซึมบ่อทรายไม่รู้ตัวครับตอนนี้เริ่มมองทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดแล้วครับอาจารย์ก็ขอให้เวลาเกิดขึ้นจริงๆเป็นธรรมดาได้หรือเปล่าเวลาสูญเสียเงินทองไปก้อนใหญ่ๆเรื่องนี้เป็นธรรมดาครับ <c oughs> ความทฤษฎีกับความจริงมันยังไม่ไ ม, ไม่ได้มามาพิสูจน์พอเราเจอความจริงกัน เวลาสูญเสียสิส่งเรารักเรเชอบไปเราจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาหรือเปล่าถ้าเป็นธรรมดาเราไม่จะไม่ทุกข์ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงว่าเป็นยังไม่เห็นว่าเป็นธรรมดาเวลากําหนดพุทโธถ้ากําหนดสถานที่ที่บริการพุทโธเช่นในตัวหรือด้านหน้าทําได้ไหมครับ เราให้อยู่กับคำพูดเนี่ยคาพูดโทยไม่ต้องอยู่ที่ในตัวร่างของร่างกายให้อยู่กับคำบริกรรมนอนไม่หลับคิดวนไปวนมาเลยนอนสวดมนต์จนกว่าจะหลับอย่างนี้เป็นบาปไหมครับเป็นบาป การไปกราบครูบาอาจารย์ต่างๆหรือไปร่วมงานบุญบ่อยๆอย่างนี้ดีไหมครับหรือว่าอยู่บ้านปฏิบัติเองดีกว่าครับก็เอยู่ว่าเราไปกราบเฉยๆเนี่ยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมองท่ า, ทาก็ไม่ได้อะไรแต่ไปกราบอยู่ที่บ้านก็นกราบทนยากราบรูปมทานกันเหมือนกันที่เราไปหาท่านเอง่็ไปฟังเทศฟังธรรมมาก การเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับบางครั้งในขณะที่ผมนั่งสมาธิมีช่วงที่เผลอสติมีความคิดในแง่ลบกับลมหายใจถี่ขึ้นความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมากับเรื่องที่ยังไม่เกิดผมพยายามเรียกสติตัวเองกลับมาที่คําบริกรรมแต่ก็ทําให้สมาธิให้จิตนิ่งได้ไม่เหมือนครั้งแรกขณะอยู่ในคําบริกรรมมีอาการใจเต้นเร็วแบบนี้เป็นอาการปรกติไหมครับที่เผลอสติคิดปรุงแต่งขึ้นมาและผมควรทําอย่างไรต่อครับกับขอความเมตตาครับ ก็ถูกเวลานั่งสมาธิไปเราทิสติแล้วก็ค่อยๆ อ, อ่อนลงอ่อนลเมื่ออ่อนล ง, ลนนลงเราจะใช้วิธีดูลงอาจจะไม่ไม่ได้นวก็เาเปลี่ยนมาเป็นวิธีใช้คํำมือคำแท น, นเพื่อสร้างสติให้ขึ้นมากขึ้นก็ได้การนั่งสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิเสมอไปหรือไม่ครับน่า แ, แต่น่า แ, แต่ความพอใจบางคนนั่งได้ก็นั้งบางคนนั่งไม่ได้ก็นั่งก็อีบ้า ถ้าคุณแม่มีแฟนใหม่เป็นสโตรกทำให้ทำงานไม่ได้คุณแม่ต้องดูแลเขาตลอดชีวิตเสียเงินและเวลาหนูเป็นลูกสงสารแม่มากๆที่เห็นแม่ลำบากทำใจไม่ได้จึงขอให้เขาแยกจากกันหนูทำถูกไหมครับไม่ถูกอครจะคุณจะสอนให้แม่ควรจะป่อยให้แม่ท่านได้ในความเมตตามันก็เป็นมือของแม่ยิ้ม่ห้ความเมตตารับ ตอนที่ยรจะไปบอกให้ก็เลยแล้วความไม่ไมีเมตตาในป็นเสร็จนี่ไม่ไมถูกไมควรควรจะสั่งสนนเรื่ของความเมตตามากกวาทําทบุญกับพระหรือไหว้พระพุทธรูปอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับก็บุญคนละอย่างถ้าเราไหว้พระเราก็ได้สมาธิคารวะได้คารวะลบนับถือถ้าเราทํำบุแล้วก็จะได้บุญจากการ ทำบุญมันคุรายากันบุญคุรายากันพอาจารย์ช่วยอธิบายสังขารกับวิสังขารหน่อยได้ไหมครับสังขารกับวิสังขารไม่แน่ใจครับว่าวิสังขารเคยได้ยินว่าสังขารมากกว่าวิสังขารนี่ไม่เคยได้ยินหกกน่อยๆลองขอถ่ายด้วยลองลองคอนนดูใน ในกูเกิลดูดีกว่ามันมีไหมครับว่าวิสังขารนีมีมีความเพียรในการภาวนาแต่การภาวนาแต่ละครั้งก็ฟุ้งบ่อยมากแบบนี้ยังได้บุญไหมครับอาจารย์ยังไม่ได้บุญนะเพราะจิตยังไม่สงบสเตย์ยังน้อยพยายามฝึกสเตยให้มั่วว่าขึ้นมก่อนคําถามสุดท้ายนะครับพระอาจารย์ครับมีคําถามเข้ามาอีกเต็มเลยครับแต่หมดเวลาแล้วนะครับ กับเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วมันรับรู้ถึงความสงบแต่ไม่เกิดปิติรู้แค่สงบต้องทําอย่างไรต่อครับามปิติที่ไม่แน่นอนบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิ ด, มก ไ, มกดไม่สํำคัญก็สาคัญที่มันสงบประล้วกันเป้าหมายหลักก็คือการทําใจให้สงบแน่งให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบข้อหระอาจารย์ครับขอโอกาสครับ วันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟส456ในยู580ในครับ6ในติกต๊อก461นะครับรวม 1,503 ท่านนะครับเอิ่มอ่านคำถามแรกเวลา20นาิกา12นาทีพระอาจารย์ตอบไป123คำถามครับอาจารย์ครับยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่มสนทนาธรรมหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย เรื่อหรับการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแข็เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิดจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเท่าสาธุขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแเราก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอจเจริญพร ขอบพคุณพระอาจารย์ครับ